ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ท, าที่แล้วมาจบพิงกษสินในด้านของฌานที่สามตอนนี้ก็มาพูดกันถึงฌานที่สี่มารมจิตทรงถึงฌานที่สามแน่สนิทมีอารมณ์ดีแล้วจิต ก, ก็ก้าวเข้าถึงฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่จึงรู้อารมณ์ไปด้วย อารมณ์นี้เหมือนกันอารมณ์ชาเนี่ยจะเป็นกสินนี่จะเป็นกรนนกรมฐานกองใดกองหนึ่งก็าตามให้ทราบว่ามีอารมณ์เสมอกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันแต่เพียงว่าจริยาหรืออาการของกรรมฐานกองนั้นๆมีปรากฏอะไรเป็นสําคัญเท่านั้นเองเมื่อจิตเก้าเข้าทั้งชาดีสี่ ตอนนี้ความสวยสดงดงามของก็สิงจะมีมากขึ้นความจับใจในอารมณ์จะมีมากขึ้นตอนชานีสามกิจเยี่ยวจะกลายมากจนทั่งมีความสัมผัส ท, ทางประสาทรู้เกือบจะไม่รู้สึกคออมีลมน้อยกิ่ทีแล้วก็มีการสัมผัสจากประสาทหูน้อยมาก แม้จะเสียงดังเครื่องกระเยะเสียงอะไรทั้งหมดได้ยินเพียงแวแวๆเท่านั้นตอนนี้ไม่มีนไหมเพราะว่าทำหูดับจะทำอาการประสาทดับความจริงเรื่องของทางร่างกายนี่เป็นโรงจกักกลมันจะมีความรู้สึกอยู่เป็นปกติมันจะทำงานของมันตามปกติมันไม่ได้หยุดงานถ้ามีความว่าร่างกายหยุดงานและก็ผิด จากคนในร่างกายถ้าหยุดงานเมื่อไรร่างกายมันก็สลายตัวพังเมือ น, นั้นก็ต้องเป็นอันว่าเราต้องมีความรับรู้สึกประเสมิฐว่าตอนนี้จิตมันแยกออกจากกายจิตที่ไม่รับทราบเรื่องของประสาทมากขึ้นมาถึงฌานลีสีนี้จิตกร ะ, ระสพราษแยกกันแตกขาดไม่รับทราบเรื่อ ง, องราวของประสาททั้งหมด การสัมผัส ใ, ใดๆในเรื่องประสาทจะไม่มีสําหรับจิตตอนนี้ยุ่งแล้วมั้งบางทีท่านยากคิดว่าไม่ตายไปเลยเลยก็บอกแล้วบอกว่าจิตนีมันยังอยู่ในร่างกายก็ยังไม่บอกพิจะบอกนะรับทราบว่าจิตเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายมันยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้ว่าจิต มันไม่รับทราบทำไม่รู้มาชี้ทีเ่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ภาคพื้นดินถ้าเรามีบ้านหลังค่ามีอาคารมีเสาสูงพึ่งข้างบนเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเราอยู่บนบ้านถ้าลมพัดมาแรงหนักบ้านวันไหวเรารู้ี่สมมตเิเรามานั่งจะใต้ถุนบ้าน นั่งในพื้นบั่นดินลมพัดต่าหนักสักเท่าไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ความจริงเราก็ยังไม่ไปพ้นจากบ้านเราอยู่ในบ้านหรือมีอาการในอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านนอนหลักสนิทบ้านวันไหวคนเสียงแอส่งเสียงแอร์โคลงคลามเท่าไรก็ตามขณะที่หลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเราไม่รู้ความวันไหวของบ้าน แต่ได้ว่าเราก็ยังนอนอยู่ที่นั่นในบ้านเราไม่ได้ไปไหนข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เข้าทึงชาญสี่ก็เหมือนกันมีความรู้สังเกตได้ไ ง, ง่ายๆอยู่สองอย่างสำหรับภาพกระสินนั้นไม่ต้องห่วงแปรวราวสวยสดงดงามมีจิจทรงตัวมีอารมณ์โรงเหมือนก็แสงสว่างมากๆภายในจิต มีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่การหลับ <c oughs> จิตที่เข้าถึงฌานในจงยาคิดว่าหลับไม่ใช่หลับจิตมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รับทราบเรื่องของกายตอนนี้พอจะเริ่มความเข้าใจได้อย่างแม้แต่ลมให้ใจเข้าออกที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เราก็ไม่รับทราบ นี่ความเข้าใจไหมในเมื่อเราไม่รับทราบเรื่องของกายทั้งหมดมารมันก็เป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่านิรามิตสุขไม่แย่าสามิตรสุขเหมือนเมื่อสมัยที่ทรงปีติคือชาญที่สองหรือว่าชาตที่สามชาญที่สองยังมีปีติชาตที่สชานที่สามยังมีสุขสุขตัวนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่สงบสงัดเท่ากับความสุขที่ปราศจากการสัมผัสทั้งหมดนี่ต้องเรียกว่าเป็นนิราไม่ได้สุขเป็นพิเศษจะพูดยังไงดีพูดว่าเป็นอภยกริดดีไหมคือไม่รับทั้งซ้ายไม่รับทั้งขวาอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องกว่าคือก็อาการของความทุกข์ความรู้สึกของควา ม, ขขวามทุกข์กข็กไม่รับ ความรู้สึกของความสุขที่มีการสัมผัสอารมณ์ก็ไม่รับมีอารมณ์เฉยสงบแต่เมื่าการโปรง่งมีสภาพเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอาการของชาญนที่สี่ตอนนี้เห็นจะไม่ต้องพูดกันมากพาอธิบายกันม า, มากแล้วมาพอถึงชาญนที่สี่บันดาท่านพุทธบริษัท จะต้องฝึกฝนกสินและสมาธิจิตให้ทรงตัวจริงๆนี่นี่เรียกว่าจบรูปประชานการทรงตัวก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี่แบบว่ากันทุกดีดียาบทแล้วก็ทุกสถานที่ไม่ว่าสภาวะเท่นใดสถานที่เช่นใดจะมีอาการอย่างใดของกายกายจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยจะล้าจะอะไรก็ตาม คำอ้างข้อนี้ไม่มีสำหรับผู้ส่งชาญในขณะที่เราต้องการแย่เข้าชาญเมื่อไรมันต้องเข้าได้ทันทีขออย่าลืมข้อนี้กำลังใจต้องมีความเข้มแข็งทุกอาการทุกอดียาบทของร่างกายใช้ได้ทุกขณนะ แล้วก็อย่าทรงเวลานานเท่าไรก็ได้ตามอัิยาใัยเรื่องทรงนานของฌานสี่มีความสำคัญเพอเราจะก้าวอารมณ์เข้าไปสู่อรูปฌานแล้วตอนนี้สําหรับฌานนี้จบเจบรูปฌานแต่ว่าเมื่อจบก็จะเปนเลิกไม่ได้รูปฌานนี่คือฌานโลกีท่านคลายตัวเมื่อไรท่านลงนรกมานั้น และจงอย่าเป็นผู้มีความประมาทอย่าคิดว่าเราได้ชันแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ระวังในการเจริญกสิณอารมณ์รู้มันย่อมปรากฏถ้าทรงชันแบบนี้ได้แข่วคล่องอารมณ์รู้มันปรากฏถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็จะรู้ได้แต่ก็ไม่เสมอกันไปเพราะว่าพระพุทธโคส า, าัญญาที่รจนาเอพระพิสุทธิมรตท่านบอกว่า คนที่ได้ฌานสี่พันคนจะได้ทิพย์่ีกุยานสักนนหนึ่งคนก็แสนยากแต่สำหรับอาตมาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีทิบบาทสี่ครบทนเรื่องทิพย์ปีกุยานมันก็กล้วยสุกือกล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่กล้วยทนีสุก เป็นของที่มีอะไรไม่หนักสําหรับจิตของเราในเมื่อจิตเราทรงฌานพร้อมในอิทธิบาททั้งสี่ประการคําว่าไม่สําเร็จผลที่เราต้องการไม่มีเนี่ยแตมาไม่ไดพูดเองไม่ได้สร้างกึนาเองความรู้นี้เป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคุณเครื่องที่ให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างเรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาท มีสี่อย่างคือฉันทะความพอใจวิิยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจอ่อบิมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องไข่โครนก็ไม่จำเป็นต้องสอนกันมากคนขั้นระดับนี้แล้วในเมื่อเข้าถึงฌานสีได้แล้วมัดฌานสีให้อยู่กับจิต อารมณ์ที่เราต้องการจริงๆก็คือฌานสี่เป็นสำคัญทรงมันไว้ตลอดเวลาเตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ออกทรงฌานสี่ให้มันเต็มระดับจนกว่าเวลาที่เราต้องการอย่าลุกไปทำงานเมื่อจะไปทำงานเราก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งฌานอย่างเลวที่สุดจะจิตจับไว้ในอุปจ า, ารสมาธิในระหว่างที่คุยกับเพื่อนในระหว่างที่ทางาน พอว่างงานว่างจากการคุยกับเพื่อนปรารค ก, กับเพื่อนแล้วสัมผัสกับคนจิตอย่างน้อยจัดจิตทรงฌานสี่ทีเร็วที่สุดก็ให้ทรงปฐมชานคือฌานที่หนึ่งและฌานที่สองไว้ขึ้นชื่อว่าฌานนี้เราจะไม่ยอมให้ว่างจากจิตเลยในขณะที่เราตื่นอยู่ไหวไหมต้องไหว เราจะเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสมิธายานนี่มันต้องไหม <c oughs> นี่เขาบอกว่าอีนิดหนึองว่าอย่าลืมนะว่าจะมาพูดตามแบบอ้าจะมาไม่ใช่ไปพุทธเจ้าไม่ใช่ไปพูดสร้างธรรมะนักจะนำไปโฆษณาไปเสมอว่าจะมาเป็นอย่งงางนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างไอ้เรื่องไปว่านะ่ยไม่ได้ตักใจไม่ได้ตกใจนติโลกเก น, นิโต คนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแต่บางทีท่านทีวีภาพวิจารณ์ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยังไม่เคยพบกันเลยท่านกวีภาพวิจารณ์ดะคนที่ไม่เคยเห็นทะเลยอยู่แต่ในป่าถ้าจะมาคุยเรื่องทะเลให้ฟังมันจะถูกต้องหรือ ันที่อยู่แต่ในทะเลตลอดเวลาไม่เคยเห็นฝั่งน้ําไม่เคยเห็นป่าแล้วมาคุยเรื่องป่าเรื่องฝั่งบนบกมันจะถูกต้องหรือยังไงนี่เป็นอันว่าไม่ถูกไม่ต้องอ้าต่มาไม่ว่าอย่างไรหรอกเลยว่าใจของท่านจะมีกิเลส จ, จะมีนิวรณนเท่านั้นคือกิเลสแต่มันมีอตาตมาก็ยังมีกิเลสกิเลสเวลานี้ก็คือกิเลสฟงุง บันทึกเสียงบรรจุความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบันดาทพระพุทธบริษัทอย่างนี้เราจะเรียกว่ากิเลสตัวได้กิเลสตัวไหนกิเลสตัวอยากให้ท่านาหลายมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ว่า การบันทึกหรือการทำหนังสือนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะมีความรู้ครบถ้วนพะอตมาเองมีความรู้ไม่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาแต่เป็นได้เพียงว่าได้เคยศึกษามาในกรรมฐานสี่สิบได้เคยศึกษามาในมหาปฏิปทานสูตรสองอันนี้สองอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นหลักของจิตศึกษามาพอสมควร ไม่ใช่ศึกษามาในระดับดีเต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาแค่พอรู้เท่านั้นพอมีความเข้าใจอยู่บ้างฉะนั้นคำแนะนำใดๆที่อาตมาแนะนำไปไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของอาตมาทั้งหมดแต่จะเอาความสามารถจริงๆก็มีอยู่นิดเดียวในคำอธิบายทั้งหมดนี้นอกนั้นเป็นความสามารถของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัง เป็นความสามารถของพระบรรดาพระพุทธสาวกบ้างเป็นความสามารถของครูบาอาจารย์บ้างเป็นความสามารถของเพื่อนที่ร่วมการปฏิบัติบ้บางเอามารวมกันแล้วอธิบายให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังตอนนี้เมื่อจิเข้าถึงฌานสี่แล้วทรงตัวดีอย่าลืมต้องให้ทรงตัวจริงจริงใช้อารมณ์กระสินจับภาพกระสินเมื่อไรก็ได้ เราก็มาเริ่มอารูปฌานกันต่อไปในช่วงนี้ที่เราจะปฏิบัติเพื่อรูปฌานเพื่อเปหันรหรปริสัมมิทายานก็จงอย่าไปยุ่งกับเรื่องขวิชาสามิญญาหกอย่าไปยุ่งกับแสงศีและการรู้ต่างๆไม่อยากแก่รู้ก็รู้ไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลุษต่อไป ถ้าหันไปเล่นกับความรู้ในด้านของทิฏฐิปิญาณเร่สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมได้และไปยุ่งกับเรื่องความเกิดความตายของคนคนที่มาเกิดสัตว์ที่มาเกิดมาจากไหนเรารู้ได้หมดตายแล้วไปไหนเรารู้ได้หมดและก็ไปยุ่งกับอรู้อารมณ์ของจิตของตัวและอารมณ์จิตของบุคคลอื่น ว่อารมณ์จิตของตัวในคนจะรู้แต่อารมณ์จิตของบุคคลอื่นอย่าไปรู้ไปรู้เข้ามันยุง่งมันไม่ใช่ภาระของเรามันเป็นความดีความชั่วอะไรของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเนีเจีติในปุเพนิวาสานุสติญาณการรู้เรื่องการถอยหลังชาติต่างๆของเราอันนี้คนแต่ว่าอย่าหลงก้าวหน้ากระสินต่อไป อตีต่าสัญญานนนาคต่งทยานรู้เรื่องราวนานดิของบุคนนวัตุเดืองเรืรู้เรื่องราวข้อนาคขบบคนนวัตุและของเราของเราควรแต่อย่าฟุ้งของบุคคลอื่นอย่ายุ่งอยาถากมโนตายายคนได้สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุเรื่องของชาว บ, บ้านอย่ายุ่งในเรื่องของตัวคนยุ่งยุ่งแล้วอย่าฟุ้งอย่าติด เมื่ อ, อยุ่งแล้วก็ใช่อารมณ์ยอมรับนับเพิกกฎของกรรมจิตใจมันก็มีความสุขเวลาเราเจริญฌานได้เต็มที่ได้สมาบัตแปดแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในแบบสบา ย, บายต่อทีนี้ไปก็มาจับหน้ารูปฌานว่าว่ารูปฌานนี้ต้องมีกระสินเป็นภาคพื้นถ้าไม่มีกระสินเป็นภาคพื้นแล้วท่านไม่มีโอกาส จะศึกษาอารูปฌานได้อรูปฌานก็คือทรงอยู่ในฌานสี่นั่นเอง <c oughs> ไม่มีฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดแต่ว่าที่เรียกไปสมาบัตแปดก็เพราะว่าสรูปรสมาบัตคือสมาบั ต, บตที่ยึดรูปเป็นสาคัญสี่แล้วก็สมาบัตที่ไม่ยึดรูปเป็นสาคัญสี่รวมเป็นสมาบัตแปดแต่ฌานมันก็มีแค่สี่ ชานที่ใช้ตัวส่วนมากก็เป็นรูปประชานเวลาที่จะตายก็ใช้รูปประชานออกถอนตัวออกจากกายไม่ได้ใช้รูปประชานถ้าใช้รูปประชานไปเป็นรูปของรงไม่เป็นเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระรังค์ก็ทั้งหลายก็ดีที่ท่านอิพันที่ได้ตั้งแต่ชาญสี่ขึ้นไปท่านมาออกจากชาญสี่ ที่สำเด็จพระมหาหมุนีคลายไปเรือเดินเรื่อยไปถึงฌานแปดแล้วมาหยุดอยู่แค่ฌานสี่ในรูปฌานคือเข้าอารูปจบเป็นสมาบัติแปดแล้วมาหยุดแค่สมาบัติสี่ส่วนรูปฌานนี้ออกตรงนี้เพราะว่ายังไงยังไงก็ตามไปรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็มีกําลังเท่ากันตอนนี้ก็ไม่ต้องน่าทิมบายอันดับแรกเราก็จับอรูปฌานต้น คือหนึ่งอากาสานัญจายตนะวิธีจับค่อยจับยังไงเอาภาพกระสินทรงตั ว, ตวขึ้นก่อนดูภาพกระสินตอนนี้มันคล่องแล้วเนี่ยไม่มีอะไรลาบากนึกภาพภาพกระสินปรากฏจี ก, กําหนดคอยภาพกระสินนี่หายไปเพราะภาพกระสินยังจัดเป็นรูป ถ้าเรายังติดอยู่ในรูปอยูย่เพียงใดเราก็มีความสุขเราก็มีความทุกข์เรามีความหิวเรามีความกระหายเรามีความ ร, าร้อนเรามีความลําบากกายลําบากใจเนื่องในการสัมผัสใดๆก็ตามทีก็เพราะรูปกายนี่เก็นสาคัญท่านที่เจริญอรูปฌานสําหรับพรหพราหมณนะ์นั้นก็เพราะเกลียดในรูปพเพราะว่าการมีรูปมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ การมีรูปไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขความทุกข์ต่างๆมันเกิดมาจากรูปเยี่ยงนี้หาทางหนีรูปเยี่ยเราไม่ตะกับไม่ต้องการรูปต่อไปในเมื่อเราไม่มีรูปแล้วความหนาวมันจะจะไปชนกับใครความร้อนจะชนกับใครมันก็ชนรูปเราไม่มีรูปด้มันก็ไม่ชนความหิวความกระหายความป่ว ย, ยไข้มาสบายการแก่การตายมันน่าศัยรูปทั้งนั้นรูปมันเป็นแต่จิตมันไม่ได้เป็น นี่ท่านยังเกลียดในรูปจนเสียทั้งหมดไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดท่านไม่สนใจจึงหาทางว่าทำยังไงเราจรึงจะไม่มีรูปก็ไปยึดอารมณ์ว่ามนโนปพังคมาธรรมามโนเศรษฐามนโนวิยาทำทั้งหลายมีใจไปหุ่นนาดมีใจประเสริฐสุดสาเร็จได้ใจนีการที่เราจะไม่มีรูปเราก็ต้องใช้ใจไม่ติดในรูป ระวังให้ดีนะรูปใบชาเนี่ใกล้วิปัสสนาญาณมากคลิกแป๊บเดียวขยับนิดเดียวเข้าชนวิปัสสนาญาณเลยวันนี้จะว่าทั้อากาศาสานัญจายตนะเมื่อตั้งภาพกระสินขึ้นแล้วเพื่อภาพกระสินให้หายไปมีความรู้สึกในใจว่าเราต้องการอากาศคิดว่าอากาศนี่หาที่สุดไม่ได้ตามแบบ มันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ตามแบบนะท่านบอกกูว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พิจารณาว่าอากาศโศอากาศโศแต่แต่ว่าแต่มาคิดว่าถ้าเล่นตามนี้แล้วก็มันก็แบบจเจริลกรรมฐานธรรมดาคื อ, อไม่มีความสําคัญอะไรมากถ้าได้ไคิดจันไปทีตามได้ของการปฏิบัติไม่อกี้นี้พูกขั้ด้านปริยัติ ในด้นการปฏิบัติเขาก็ทํากันอย่างนี้ทว่าอารมณ์จิตของเรามองเห็นอากาศเป็นสภาพว่างฉันใดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่ชามันก็สลายไปมันก็มีสภาพวางแต่เราก็ไม่ต้องการในร่างกายของเราเสียทั้งหมดไอ้สภาพที่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปอีก เราจะมีสภาพมรรยากาศคือจิตที่รอยอยู่ในอากาศเฉยๆจะไม่มีขั้นห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่อยากจะอธิบายยุ่งสำหรับคนไทยเพราะเป็นภาษาแขกว่ากายง่ายๆก็คือรูปรูปกายนี่จะไม่มีอาการทรงตัวไม่ปรากฏอีกสำหรับเรา ดวงจิตดวงนี้จะไม่จับรูปใดๆสักหมดจะไปรูปของสัติเลชันก็ดีรูปของคนก็นดีรูปของเทวดาก็ดีรูปของพรหงก็ดีไม่ต้องการเรามีความต้องการอย่างเดียวคืออยู่เฉยๆหน้าอากาศจิตนี้ทรงให้เป็นเอกคตารมเก้าเวขาลมของฌานสี่ลืมบอกไปว่าฌานสีนั้นมีอารมณ์อยุดสอง คือว่าเอกร ะ, ะตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจับในภาพเขาสมาธิเขาสิยงโดยเฉพาะแล้วก็แถมอุเบกขาลงมาวางเฉยไม่ต้องการสี่งใดใดไม่ต้องการการสัมผัสใดใดทั้งหมดไม่รู้เรื่องของการสัมผัสยงจะกินลิ้นจะกัดไม่มีไม่รู้เรื่องใครพูดใครจาไม่รู้เรื่องลมให้ใจเข้าออกก็ไม่รู้เรื่อง แต่หากว่าท่านจะถามแม่บอกว่าท่านถึงชาลสีแล้วท่านดีทรงชาลที่ชาลสูงยุงกินลิงกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ท่านถามว่าไอ้โรคไข้เลือดออกโรคไข้เมอล์เรียมันไม่เป็นเลยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยุงมันไม่กินลินมันไม่กัดเจ้ายงุงเจ้าลินนี่มันเห็นเรามีสภาพเป็นคนตาย อวัยวะในร่างกายเนี่มื่จิตไม่ใช้มันมันก็ทำงานน้อยมันก็เครื่องยนต์ที่วิ่งฟรีเฉยๆมันไม่มีความหนักมันก็วิ่งเบาๆเพราอที่จะส่งตัวเข้ามันได้เท่านั้นกังลังกายมันไม่หนักเลือดมันก็ไหลช้าเกินไปกังลังกายทุกส่วนมีความสุขเพราะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เมื่อเลือดไหลช้าเกินไปความไหลของเลือดช้าเจ้ายุงมันก็โดดเลยไม่เอกไม่พอกิน นี่จยุงจะเลือบมันโ ด, ด, ดูดไม่พอกินมันก็เลยไม่กินรวมความว่าท่านที่ทรงฌานสี่อยู่หรือฌานสามข อ, อยืนยันประยงไม่กินแน่ไปนั่งอยู่ที่ที่ไหนก็ตามเถอะให้ยุงมากขนาดไหนก็ตามพวกไล่ก็ควยท่านพวกนี้นั่งเฉยๆถามว่าเอามาจากตำราหไหนอันนี้บอกไม่ใช่ตำราจากคนที่เขาทำได้แล้ว เธอคนดีเขาทำได้แล้วมีสภาพอย่างนั้นยุงกินลิงกัดเปิดตายพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อป่านโทษเราปัดยุงกันกับแย่สมัยนั้นไม่มีมอโรต์แต่หลวงพ่อนั่งเฉยตลอดเวลาเราไปกันนานๆข้าวทานถามว่ายุงกินแล้วลรกพอโยงกินครับท่านยิ้มท่านก็ บ, บอกว่าพวกเธออย่างนมเลือดหวานเนื้อหอมยงมุงมันจินชอบฉันไม่คนแก่ซะแล้วเนี่ย ยุมันก็เลยไม่กินลิ้นมันก็เลยไม่กัดเพราะเลือดมันก็ขมถ้ามีรสเปรีย้ยวมันไม่อร่อยที่ใท้ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นอะไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาที่จะคุยกันกันหมดเสร็จแล้วในตอนนี้ก็ข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี